ตอนที่19เปิดร้านวันแรกก็เจอเรื่องขัดใจซูมานอิงเงยหน้าขึ้นมองถึงได้พบก่าคนที่มาซื้อโมโมคือหยางเหวินจวินผู้อำนวยการโรงงานทอผ้าสหายซูไม่ง่ายเลยนะเพิ่งพาตัวเองแบบนี้ควรค่าแก่การสนับสนุนหยางเหวินจวิ้นยิ้มอย่างเมตตา สนักงานเคติดต่อกับทางโรงงานเราแล้วสหายซูจิตสำนึกของเธอนี้สูงจริงๆไม่เพียงแต่ช่วยกู้คืนความผิดพลาดในการทำงานของโรงงานเราแต่ยังถือโอกาสทําให้โรงงานกลายเป็นตัวอย่างที่ดีอีกด้วยในานามของโรงงานทอผ้าฉันต้องขอบใจเธอจริงๆนะซูมานอิ น, นึกไม่ถึงว่าเรื่องจะแพร่กระจายไปเร็วขนาดนี้ไหนว่าสมัยก่อนการสื่อสารมันช้าไงนี่ก็ไม่ช้าเลยนะล้วนเป็นพระผู้อานวยการอย่างนาทางได้ดีคะ่ะ ซูมานอิมรีทำโรเจียหมูอย่างรวดเร็วและเพื่อเป็นการขอบคุณนางจึงเพิ่มพริกหยวกซอยลงไปให้ด้วยเล็กน้อยนางยื่นโรเจียหมูให้หยางเหวินเจวินพวกเราก็เพิ่งทำเป็นครั้งแรกผู้อํานวยการหยางลองชิมดูนะคะแล้วช่วยให้คําแนะนําด้วยค่ะหยางเหวินเจวิ้นรับโรเจียหมูไปแล้วกัดคําโตอื้ออร่อยสหายซูฝีมือเธอไม่เลวเลยนะ้มานนี่เงินของเธอเอาให้ฉันอีกสองอันได้เลยค่ะ ซูมานอิงขยับท่าทางอย่างคล่องแคล่วอย่างเวนจ์วิ้นมองผู้หญิงตรงหน้าแม้ในใจจะถามซ้ำไปซ้ำมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ในตอนนี้เขาก็ยังอยากจะถามอีกสักรอบโจเตอชังตาเท่านั้นไปทําบุญด้วยอะไรมาหรือว่าไปร่ายมนต์ใสกันแน่ถึงได้มีผู้หญิงที่ทั้งอายุน้อยหน้าตา ส, สวยแถมยังฉลาดและเก่งกาจขนาดนี้มาตามติดเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตาขนาดตายไปแล้วก็ยังไม่ทอดทิ้งอย่างเหวนจว์วินคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกเขาพยุงโรรเจียมหมัวไว้แล้วถามด้วยความหวังดีอีกครั้งเบา สหายซูเรื่องที่คุยกันคราวก่อนเธอจะไม่ลองพิจารณาดูอีกทีหรอซูมานอินยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนผู้อํานวยการอย่างเมื่อกี้ท่านยังชมฉันอยู่เลยว่าพึ่งพาตัวเองได้ฉันอยากพึ่งพาตัวเองข้าไม่อยากสร้างความลําบากให้ส่วนรวมแล้วหยางเหวินเจวิ้นถอนหายใจซูมานอินคนนี้ก็เป็นพวกด้วยรั้นเหมือนกันหลังจากหยางเหวินเจวินจากไปคนที่มาซื้อโมโมก็ยิ่งมาขึ้นล้อเล่นนะสิผู้อํานวยการโรงงานยังบอกว่าอร่อยมันต้องอร่อยมากแน่ๆ อีกอย่างนี้เป็นฝีมือของครอบครัวพนักงานในโรงงานทําเองวางใจได้วางใจได้เต็มร้อยเลยโจเวยหมินไปรับต้าฮวาและเสี่ยวสวี่มาเดิมทีตั้งใจจะมาดูว่ากิจการของภรรยาเป็นอย่างไรบ้างแต่ผลที่เห็นคือแผงลอยถูกล้อมไว้จนน้ําไหลไฟดับเข้าไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเขาถึงกับอึ้งไปชั่วขณนะป้ป้าพวกเรายังจะไปช่วยไหมคะตาฮาวางเงยหน้าถามพวกเราเหมือนจะเข้าไปไม่ได้เลยนะคะโจเวยหมินกลืนน้าลายต้าฮวาเสี่ยวสวีง่งั้นพวกเรารออีกหน่อยดีไหม ถ้าพวกเขาเข้าไปตอนนี้เกรงว่าจะไปช่วยเพิ่มความวุ่นวายเสียมากกว่าสู้รออีกหน่อยจะดีกว่าปป๊าผมหิวแล้วลูกชายคนเล็กกุมท้องร้องหิวอยู่ข้างๆประจบเหมาะกับพี่เฉียวหงถือกล่องข้าวใบใหญ่เดินผ่านมาพอดีโจวเวยหมินอ้อพี่เฉียวหงเป็นอะไรไปยังไม่ได้กินข้าวเหรอเฉียวหงมองเด็กทั้งสองคนแล้วกวากมือเรียกมาไปกินกับหน้าไปวันนี้มีหุ้ยช่ให้กินด้วยพี่เฉียวหงไม่ต้องรอครับเดี๋ยวผมพาสองคนนี้กลับบ้าน กลับบ้านอะไรกันละเมื่อวานที่เคยเธอไปกินโตจีในหมู่บ้านมาหิวกับข้าวกลับมาตั้งแ ย, แย่เมื่อกลางวันนะเพิ่งทำห้วยเสร็จถ้ากินไม่หมดก็ต้องทิ้งอยู่ดีเฉียวหงโน้มตัวลงไปพูดกับต้าฮวาและเสี่ยวสวี่อย่างสนิทสนมพวกหนูถือว่าช่วยนะกับลุงหน่อยได้ไหมจ้ะต้าฮวาและเสี่ยวสวี่ในหน้ามองโจเว่ยหมินโจเว่ยหมินดูลังเลเล็กน้อยเท่าเอ๋ยฝากเด็กไว้กับฉันเธอยังไม่ไว้วางใจอีกเหรอเชียวหงยื่นมือไปจูมือเด็กทั้งสองคนทันทีไ ป, ไปไปกินข้าวที่โรงอาหารกับนากัน เมื่อเห็นโจเวยหมินยังยืนเบื่ออยู่เฉียวหงก็มองไปยังแผงลอยที่มีคนล้อมหน้าล้อมหลังจนแน่นขนัดแล้วยิ้มพางเร่งร้าวเวยหมิ่นเด็กๆอยู่กับฉันเธอวางใจได้รีไปช่วยเมียเธอเถอะครับขอบคุณครับพี่เฉียวหงเมื่อหมดกังวลโจเวยหมิ่นก็แทรกตัวเข้าไปในฝูงชนเพื่อช่วยผู้หญิงทั้งสามคนทำการ ข, ขายตอนนี้เป็นฤดูร้อนอากาศก็ร้อนอยู่แล้วคนยิงเยอะอีกพอเริ่มยุ่งเหงื่อก็ไหลโส่งกายราวกับน้ําตก ซูมานอินเชตเหนือไม่หยุดในตอนนี้คือนางรู้สึกจากใจจริงเลยว่าการหาเงินนี่มันไม่ง่ายเลยจริงๆรวมถึงแป้งทอดไส้มันฝรั่งเส้นกากหมูนี้ด้วยพวกนางทําออกมาทั้งหมดไม่ถึง200ชิ้นต่อให้ขายหมดเกลี้ยงก็ได้เงินแค่20กว่าหยวนเท่านั้นแม้เงินในยุคนี้จะมีค่ามากแต่ฟังดูแล้วก็น้อยจนน่าใจหายสิ่งที่เหนือความคาดหมายของนางก็คือฉินเสี่ยวเยเวท่ที่ปกติมักจะเกียจคร้านในตอนนี้กลับดูมีพลังเต็มเปี่ยมทํางานอย่างขายันขันแข็ง เสี่ยวเยว่ เ, วเธอไม่เหนื่อยเหรอซูมานอินหาจังหวะว่างถามด้วยความหงอยใหญ่ชินเสี่ยวเยเว่ฉีกยิ้มกว้างแล้วตอบว่าหาเงินจะมีใครบ่นเหนื่อยกันละ่ะซูมานอินชะ ง, งักไปใช่สิ่งนางเกือบลืมไปเลยว่าชินเสี่ยวเยเว่คนนี้มีงานอดิเรกอยู่ไม่กี่อย่างในชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนี้นี่แหละขี้เกียจก็จริงอยู่แต่ขอแค่เห็นเงินก็มีแรงจูงใจขึ้นมาทันทีเมื่อมีโจวเวยหมิน่นมาช่วยความเร็วของทั้งสาคนก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เทียงพรึตาเดียวหมูหนึ่งกะละมันก็ขายจนเกลี้ยงเมื่อมองดูเหล่าพนักงานที่ยังคงล้อมเข้ามาสู่บ้านอินก็ได้แต่กล่าวขอโทษและบอกให้พวกเขามาใหม่ในวันพรุ่งนี้ว่าประเดิมเหมือนแรกได้สวยเลยนะเนี่ยชินเสี่ยวเย่าดีใจมากโดยเฉพาะเมื่อเห็นธนบัตรสีแดงสีเขียวในกล่องไม้อารมณ์ของนางก็ยิ่งเบิกบานขึ้นไปอีกให้ข้าลองนับดูหน่อยสิว่าได้เงินเท่าไหร่ขณะที่ชินเสียวเยาว่าเพิ่งจะจัดเรียงเงินเสร็จจู่ๆชายสองคนในชุดเครื่องแบบสีน้ำเงินก็เดินตรงเข้ามา พวกเจ้าใครเป็นคนรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ร่างทวมที่เดินนำหน้าเอ่ยถามโจวเวยหมินเห็นดังนั้นก็ร้องอุทานในใจว่าถ้าไม่ดีแล้วเขาขยับเข้าไปใกล้ซูมานอินแล้วกระซิบเสียงเบาแม่ครับพวกหน่วยบังคับกฎหมายซูมานอินขมวดคิ้วนางสงสัยตาเป็นสัญญาณให้ชินเสียวย่าชินเสียวเยเวเข้าใจในทันทีนางรีบหลบไปด้านหลังแล้วซ่อนเงินไว้ในกระเป๋ากางเกงซูมานอินเดินออกไปรับหน้าเพียงลาพัง นางค้าคายหน่วยบังคับกฎหมายด้วยรอยยิ้มสหายสวัสดีค้าคาชื่อสู่ม่านอินแผงนี้เป็นของข้าไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะมีคนแจ้งว่าพวกเจ้ามาเก็งกาไรและค้าขายผิดกฎหมายที่นี่หน่วยบังคับกฎหมายมองดูอุปกรณ์ทําครัวและกละมังที่ว่างเปล่าด้วยสีหน้าสงสยัยของพวกนี้พวกเจ้าทาเองงั้นเหรอใช่คะพวกเราเป็นครอบครัวพนักงานโรงงานเท่า้าแค่ทําของบางอย่างมาเพื่อตอบแทนพนักงานในโรงงานเท่านั้นเอง ซูมานอินแสดงสีหน้าตัดเพาะอธิบายอย่างจริงจังและเคร่งครึมไม่ใช่การซื้อมาขายไปเพื่อเกงกำไรและไม่ใช่การค้าขายผิดกฎหมายแน่นอนค่ะหางตาของนางเหลือไปเห็นเงาร่างสีน้ำเงินวูบไหวอยู่ที่มุมกำแพงไม่ไกลนักที่แท้ก็เป็นนางที่คอยสร้างเรื่องอีกแล้วแต่งกับเนื้อพวกนี้พวกเราก็ใช้เงินซื้อมาแล้วก็ลงมือทาเองทั้งนั้นซูมานอินพนาถึงความยากลาบากของตนเองพนักงานที่อยู่ข้างๆก็ช่วยผู้เสริมให้ ใช่ครับพวกเราเป็นพยานได้พวกเขาไม่ได้ค้าขายผิดกฎหมายถูกแล้วพวกเขาเป็นครอบครัวของเพื่อนร่วม ง, งานเราไม่ใช่คนแอบอ้างในขณะนั้นฉินเสี่ยวยาวได้แอบเลี้ยงไปยังแผนกรักษาความปลอดภัยของโรงงานนางโทรศัพท์หายอย่างเหวนจวินหลังจากกลังเละอยู่ครู่หนึ่งนางก็โทรหาเกาชังเหอด้วยเช่นกันแต่ว่าอุปกรณ์ทําครัวของพวกเจ้าไม่ได้มาตรฐานนะชายร่างสูงโปร่งที่ยืเนเงียบอยู่ด้านหลังเดินขึ้นมาข้างหน้าพลางชี้ไปที่เตาแล้วเอ่อยว่าดูปราดเดียวก็รู้ว่าดัดแปลงเองต้องถูกยึด ทำไมล่ะเดิมทีซุนจิ๋วหลิงหลบอยู่ด้านหลังตลอดแต่พอได้ยินว่าหน่วยบังคับกฎหมายจะยึดอุปกรณ์ทําครัวนางก็พุ่งพรวดมาอยู่หน้าสุดทันทีพวกเราทําขึ้นมาเองไม่ได้ไปขโมยหรือปล้นใครมาทําไมพวกท่านถึงบอกว่าจะยึดก็ยึดได้ตามใจชอบล่ะซูมานอินไม่คาดคิดเลยว่าซุนจิ๋วหลิงที่ดูซื่อๆจะดุดันได้ขนาดนี้โจเว่หมินที่อยู่ข้างๆก็อึ้งไปเช่นกัน เมียโง่ของเขาเป็นบ้าอะไรไปรเนี่ยขนาดเขายังไม่กล้าล่วงเกินหน่วยบังคับกฎหมายแต่นางกลับพุ่งเข้าไปโต้เถียงเสียอย่างนั้นเขาจึงรีบยื่นมือไปดึงภรรยาไว้นี่เป็นกฎระเบียบการดัดแปลงเองมันไม่ปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยพวกเราก็แค่เปลี่ยนใหม่แต่นี่สามีค่าอุสาลำบากทำขึ้นมาทำไมพวกท่านถึงบอกว่าจะเอาไปก็เอาไปได้ง่ายๆละ่ะ มือของโจวเวยหมินที่ยืนออกไปชงงะงักค้างอยู่กลางอากาศเขาสั่นสถานเล็กน้อยก่อนจะเปลี่ยนมาอบเอลซุนจิวลิงแล้วดึงนางมาไว้ข้างหลังพันรยาข้าจัดการเอง